จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันสุขที่สีตุลาคมพุทธศักราช2 5งบเป็นวันพระวันธรร ม, มัตสวนะวันฝังธรรมวันที่ สาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจมาวัดเพื่อนาเอาของปลองมาแลกของจริงนำเอาความสุขปรองมาแลกความสุขจริงเอาความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมาแลกกับความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนเอาความสุขที่ไม่ถาวร มาแลกกับความสุขที่ถาวรอะไรเป็นของปลอมของปลอมก็ของต่างๆในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญและความสุขที่ได้จากทางตาหูจมูกมิ้นกายของเหล่านี้เป็นของปลอมเป็นความสุขปลอมเพราะอะไรเพราะว่าเป็นของที่จะสูญสลาย หายไปหมดเป็นของที่ไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจได้กลับเป็นของที่จะเพิ่มความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปภายในใจเป็นของที่ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่ช้าก็เร็วของต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ก็ต้องจากเราไป เพราะเราจะต้องจากโลกนี้ไปนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราเอาของปลอมเอาความสุขปลอมมาแลกกับความสุขจริงมาแลกของของจริงของที่จะเป็นของเราไปตลอดของที่จะอยู่กับเราไปตลอดของที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอด ก็คือเอาทรัพย์สมบัติเข้ากองเงินทองลาบยศสรรเสริญเอาเวลาที่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาแลกกับทานศีลภาวนาเพราะการทำทานการรักษาศีลการภาวนานี้จะทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงขึ้นมา ความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่ชนะความสุขทั้งหลายในโลก น, นี้นัำที่ทรงตรัสไว้ว่าลดแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงลดแห่งธรรมคืออะไรก็คือผลที่ได้จากการปฏิบัติธรรมนั่นเองถ้าผลที่ได้จากการทําทานผลที่ได้จากการรักษาศีลผลที่ได้ จากการภาวนาจะทำให้จิตใจสงบจะทำให้มีความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่จะอยู่กับใจไปตลอดจะไม่มีวันหมดสิ้นไปพระพุทธเจ้าและพระอรหารตสาโกทั้งหลายได้ทรงพบความสุขที่แท้จริง ที่ถาวรแล้วก่อนที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรนี้พ่อองค์ก็ต้องทงสละความสุขปลอมไปสละของปลอมไปคือสละราชสมบัติสละความสุขของชีวิตที่ได้จากการประทับอยู่ในพระราชวังแล้วก็ออกแสวงหาความสุข เกิดจากการทำทานเกิดจากการรักษาศีลและเกิดจากการภาวนาการทำทานนี้จำเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะจะได้ปลดความผูกพันกับสิ่งต่างๆเช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้าไม่สละก็จะต้องติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ก็จะไม่มีเวลาที่จะไปรักษาศีลไปภาวนาได้เพราะการจะรักษาศีลการภาวนานีจ้จจำเป็นจะต้องอยู่ในที่สงบอยู่ที่ห่างไกลจากความวุ่นวายต่างๆห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆห่างไกลจากบุคคลต่างๆถ้าไม่สามารถละ ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสละราชสมบัติก็จะไม่มีเวลาที่จะออกไปอยู่ตามที่สมุกที่เอื้อต่อการรักษาศีลต่อการภาวนาต่อการสร้างความสงบสร้างความสุขที่แท้จริงดังนั้นผู้ที่ปรารถนาของจริง ปรารถนาความสุขที่แท้จริงปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงจําเป็นจะต้องสละทรัพย์สมบัติสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสละมาทรงสละพระราชสมบัติแล้วก็ทรงสเสด็จออกจากพระราชวังไปประทับ ตามป่าตามเขาตามสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกปราศจากรูปเสียงกลิ่นรสผททพะที่จะคอยยั่วรวนปวนใจให้เกิดความโลภเกิดความอยากให้เกิดความทุกข์เกิดความฟุ้งซ่านต่างๆขึ้นมานี่คือเป้าหมายของการทำทานทำเพื่อให้เรา จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการหาทรัพย์เสียเวลากับการดูแลรักษาทรัพย์เสียเวลากับการใช้ทรัพย์เพื่อซื้อความสุขต่างๆที่เป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอหามาเท่าไหร่ก็ยังเหมือนเดิมยังหิวยังอยากเหมือนเดิมอยู่หามาได้มากน้อยเพียงไร ก็จะไม่สามารถดับความหิวดับความอยากให้หมดไปจากใจได้วิธีที่จะดับความหิวความอยากก็คือต้องไม่หาต้องไม่ทำตามความอยากอยากได้เงินก็ไม่หาเงินอยากได้ความสุขทางตาหูจมุกติ้งกายก็จะไม่หาจะมาหาความสุขทางใจ ด้วยการมาวัดมาทำทานนำเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีมากเกินความจำเป็นเอามาแบ่งปันมาสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากขาดแคลนเดือดร้อนในปัจจัยสี่เก็บไว้เท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแล้วก็อย่าไปหามาเพิ่มให้มากกว่านั้น ถ้าพอมีปัจจัยสี่ดำรงชีพได้แล้วก็ควรที่จะหันเวลามาเข้าวัดกันมาบำเพ็ญมารักษาศีลแปดมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อที่จะได้ทำใจให้สงบเพื่อที่จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่เป็นความสุขที่จะอยู่กับใจไปตลอดหลังจากที่ร่างกายนี้แตกดับไปแล้วใจนี้ไม่ได้ตกดับไปกับร่างกายและสิ่งที่อยู่กับใจคือความสุขความสงบของใจก็จะไปกับใจจะอยู่เรื่อยกันไปอย่างถาวรอย่างใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาโลกทั้งหลาย ท่านมีความสงบมีความสุขอยู่ตลอดเวลาท่านไม่มีความหิวไม่มีความอยากท่านจึงไม่ต้องมาหาร่างกายมาเกิดเพื่อที่จะได้หาสิ่งต่างๆที่ใจยังอยากได้ที่ใจยังหิวอยู่สิ่งที่ใจหิวสิ่งที่ใจอยากก็คือลาบยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองเรียกว่ากามรตันหาภาวะตันหาและวิภวะตันหาถ้าตรบใดยังมีความอยากทั้งสามอยู่นี้ใจก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่มาหาร่างกายร่างใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้หาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจบุกนิ้วกายต่อไปเรื่อยๆ เ, เพราะว่าการทำตามความอยากนี้จะไม่ทำให้ความอยากนี้หมดไปวิธีที่จะทำให้ความอยากหมดไปจากใจก็ต้องไม่ทำตามความอยากเช่นอยากได้ทรัพย์ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่หาทรัพย์มาอยากร่ำ อ, อยากรวยก็ไม่ทำตามความอยากนะั้น อยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตก็ไม่ทําตามความอยากนะั้นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็อยากไม่ตายก็ไม่ทําตามความอยากนะั้นถ้าไม่ทําตามแล้วความอยากก็จะอ่อนกําลังลงไปทีละเล็กทีละน้อยและหมดไปในที่สุดเครื่องมือที่เราจะใช้ในการต่อสู้กับความอยากหยุดความอยากต่างๆ ให้หมดไปก็คือการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติกันในวันนี้เป็นการมาตัดความอยากต่างๆให้บรรเบาบางลงไปเช่นเราอยากได้ตัดความอยากได้ทรัพย์ด้วยการเอาทรัพย์นี้มาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น ด้วยการกำหนดประมาณของทรัพย์ที่เราควรจะมีไว้ไม่ต้องการให้มีมากไปกว่านั้นถ้ามีมากกว่านั้นก็ให้เอามาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเหมือนกับเราตัดน้ำใส่ตู้ถ้าน้ามันเต็มตู้แล้วเราก็จะไม่เติมน้ำเข้าไปอีกเพราะเติมไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียเวลาเปล่า น้ำในตุ่มก็จะมีเท่าเดิมดังนั้นแทนที่เราจะเติมน้าเข้าไปในตุ่มถ้าเรามีน้ํามากเกินไปเราก็เอาน้ํานี้ไปให้คนที่เขาขาดแทนน้ํากันฉันใดปัจจัยเงินทองทรัพสมบัติเข้าของก็เป็นเหมือนน้าที่เราต้องเติมใส่ตุ่มของเราแต่พอเราเติมใส่ตุ่มเต็มแล้วพอแล้ว เราก็ควรจะหยุดได้แล้วเพราะเสียเวลาเปล่าๆหามาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่มีที่ใส่ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเขาก็มีหน้าที่ดูแลรักษาชีวิตของเราให้อยู่ไปได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศ จ, จากความเจ็บไข้ได้ป่วยปราศ จ, จากความทุกข์ยากลําบาก ถ้ามีพอแล้วต่อให้มีเพิ่มอีกสิบเท่าร้อยเท่าก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้มากไปกว่า น, นั้นเพราะทรัพสมบัติเข้าของเงินทองทำประโยชน์ได้เพียงเท่านี้คือดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปได้ไม่อดอยากขาดแคลนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นเองมีมากไปกว่า น, นั้นก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายนี้ อยู่ไปได้ยาวกว่านั้นร่างกายก็มีอายุไขของเขาของแต่ละคนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสั้นหรือยาวเพราะว่าบุญกรรมที่ทำมานี่มีไม่เท่ากันถ้าบุญมากก็เหมือนรถยนต์ที่เติมน้ามันมากก็จะวิ่งไปได้ไกลถ้าบุญน้อยก็เหมือนรถยนต์ที่เติมน้ามันน้อยก็จะวิ่งไปไม่ได้ไกล หรือถ้าทำบาปมากก็เหมือนกับทำให้ลดเสียหายมากถ้าทาบาปน้อยก็ทำให้ลดเสียหายน้อยถ้ารถมีความเสียหายน้อยก็จะวิ่งไปได้นานกว่ารถที่มีความเสียหายมากกว่าดังนั้นอายุไขของเราจึงไม่มีใครที่จะไปกำหนดรู้ได้เพราะขึ้นอยู่กับบุญกรรม ที่เราทํามาในอดีตกันคนเราจะมีอายุไม่เท่ากันบางคนก็ตายตั้งแต่แรกเกิดออกมาจากท้องแม่ก็ตายแล้วบางคนก็อยู่ได้เพียงเจวันบางคนก็หนึ่งเดือนบางคนก็หนึ่งปีบางคนก็สิปีป20สิปี30ปีไปจนถึงร0 0ปีหรือร้อยกว่าปี อย่างสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ทรงเจริญพระชนมายุครบหนึ่งรอันษาในวันที่สามตุลาคมที่ผ่านมานี้นี่คือเรื่องของอายุไขของชีวิตของคนเราไม่ได้อยู่ที่ว่ามีทรัพย์มากหรือมีทรัพย์น้อยการมีเงินทํามากไม่ได้หมายความว่าจะยืดอายุของเราให้ยืนยาวนาน กว่าคนที่มีเงินทองน้อยกว่าเราคนที่มีเงินทองน้อยกว่าเรากับมีอายุยืนยาวนานกว่าเราเช่นพระภิกษุที่บวชนี้ท่านก็ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรแต่ท่านกลับมีอายุยืนยาวนานกันหลวงปู่หลวงตาแต่ละองค์นี้90้าสบกว่าขึ้นไปทั้งนั้นนี่คือเรื่องของชีวิตเรื่องของร่างกาย ที่ปัจจัยสี่นี้สามารถดูแลได้เพียงบางสว่วนก็ดูแลได้ในการให้ปัจจัยสี่แก่ร่างกายแต่ไม่ได้สามารถที่จะรับประกันไม่ให้ร่างกายนี้มีอายุยืนยาวนานมากขึ้นไปตามกำลังทรัพย์ที่มีอยู่หรือไม่สามารถรับประกันให้ร่างกายนี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย อันนี้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่สามารถทำได้เรื่องของคานเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของอายุสั้นหรืออย่างนี้อยู่ที่บุญกรรมที่ได้ทำมาในอดีตและบุญกรรมที่ได้ทำไว้ในปัจจุบันนี้เป็นเหตุที่ทำให้ชีวิตสั้นหรือชีวิตยาวเช่นคนที่ดื่มสุรายาเมาแล้วก็ขับรถ ด, ด้วยความประมา ก็จะมักจะมีอายุสั้นกันหรือไม่เช่นั้นก็ต้องพิคลนพิการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเหตุจากการที่ดื่มสุรายาเมาแล้วก็ไปขับขี่ยานยนต์ขับรถยนต์ที่ตนไม่สามารถควบคุมบังคับให้วิ่งได้อย่างปลอดภัยก็มักจะเกิดอุบัติเหตุ ต, ต่างๆตามมาแล้วก็เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วย กิความสูญเสียของชีวิตตามมาอันนี้ก็เป็นบาป ก, กรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนบาป ก, กรรมที่เกิดในอดีตนี้เราก็มีท ร, ร ม, มาด้วยกันทุกคนเพียงแต่ว่าเราละลึกชาติไม่ได้เท่านั้นเองแต่เราก็ใช้ตัวอย่างของชีวิตในปัจจุบันนี้เป็นตัวอย่างได้เพราะถ้าเราเคยทำอะไรมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบา มันก็จะติดนิสัยมากับเราในชาตินี้เราก็จะทำบุญทำบาปเหมือนกับที่เราเคยทำในอดีตชาติจะทำมากทำน้อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์สิ่งแวดลอ้อมเวลาที่ไม่มีเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมมาบังคับเราก็อาจจะไม่ได้ทำบุญหรือทำบาปแด้เวลาเกิดเหตุการณ์มาบังคับ เราก็อาจจะทำบุญทำบาปกันช่เวลาที่เราตกอับทุกยากลำบากเวลานั้นถ้าเราเคยใช้การทำบาปเป็นวิธีแก้ปัญหาของการตกทุกข์ได้ยากลำบากเราก็จะทำบาปแต่ถ้าเราเคยใช้วิธีทำบุญแก้ปัญหาเราก็จะใช้วิธีทำบุญขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ ขึ้นอยู่กับอดีตคือบุญกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตจะติดเป็นนิสัยมาในชาตินี้นี่คือเรื่องของการมีทรัพย์ที่เราควรจะมีพอประมาณเราควรที่จะเอาทรัพย์นี้มาทำบุญจะดีกว่าเพราะการทำบุญมากๆกก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะเสริมให้เรามีชีวิตยืนยาวนานขึ้นไป มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยลงไปได้ด้วยอันิสงของการทำทานของเราในชาตินี้เองดังนั้นอย่าไปเสียดายทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเพราะว่ามีมากๆแต่ถ้ามีอายุสั้นก็จะไม่ได้ใช้ทรัพย์อยู่ดีแต่ถ้าเราเอาทรัพย์ที่มาทำบุญ มาแบ่งไว้อย่างน้อยสักครึ่องหนึ่งก็ยังดีเก็บไว้เครื่องหนึ่งไว้สําหรับใช้อีกเครื่องหนึ่งเอามาทําบุญเราก็จะมีอายุยาวนานขึ้นมีเวลาได้ใช้ทรัพย์มากขึ้นไปอย่าหวงทรัพย์เพราะการหวงนี้จะทําให้เราจากทรัพย์ไปเร็วถ้าเราไม่หวงทรัพย์แบ่งปันทรัพย์ให้แก่ผู้อื่น<ม>ก็จะทําให้เรามีชีวิตยืนยาวนานขึ้น มีเวลาที่เราจะได้ใช้ทรัพย์ของเราได้มากขึ้นนี่คือเรื่องของอานิสงส์ของการทำทานที่เราควรจะทำกันถ้าเราทำแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการหาทรัพย์เสียเวลากับดูแลรักษาทรัพย์มากจนเกินไปก็จะทำให้เรามีเวลาเข้าวัดได้มีเวลามารักษาศีลได้ มีเวลามาหาความสุขที่เกิดจากความสงบได้ด้วยการสละความสุขทางโลกไปคือความสุขทางร่างกายความสุขทางตาหูจมูกป้นกายเช่นวันนี้ถ้าเราถือสีลแปดได้เราก็จะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับใครความสุขที่ได้จากการหลับนอนนี้ สู้ความสุขที่ได้จากการมาทำใจให้สงบไม่ได้ถ้าเราละความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่ได้เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิมาสวดมนต์ไหว้พระมาทำใจให้สงบนั่นเองแต่ถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่ได้จากความสงบเราก็ต้องแลกกันเราจะเอาความสุขทั้งสองอย่างไม่ได้ จะร่วมหลับนอนกับกันแล้วยังจะมานั่งสมาธิด้วยนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นเหมือนอของร้อนกับของเย็นจะมาอยู่ร่วมกันไม่ได้ถ้ามาอยู่ร่วมกันแล้วก็จะหายไปทั้งสองอย่างร้อนก็ไม่ร้อนเย็นก็ไม่เย็นถ้าอยากจะได้ร้อนก็ต้องไม่ถือศีลแปถ้าอยากจะได้เย็นก็ต้องถือศีลแปด ต้องไม่หาความสุขทางร่างกายศินข้อสารก็ต้องเป็นอพร ม, มจาริยาเวรามณีแทนที่จะเป็นกาเมสุมิชฌาล า, าเวรามณีคือไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับใครทั้งนั้นแล้วก็ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปรับประทานเพียงครึ่งวันก็พอแล้ว หลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะไม่รับประทานอีกต่อไปจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการหาอาหารเสียเวลากับการรับประทานอาหารแล้วถ้ารับประทานอาหารมากจนเกินไปก็จะทำให้เกิดความง่วงเหงาเหานอนเกิดความเกียดคร้านจะไม่อยากปฏิบัติจะไม่อยากนั่งสมาธิจะไม่อยากไหวพระสวดมนต์ อันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติแต่ถ้ารับประทานพอประมาณคือไม่รับอย่งจากเที่ยงวันไปแล้ร่างกายก็จะไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปความง่วงเหงาหานอนก็จะมีน้อยหรือไม่มีเลยความเกลียดค้านก็จะมีน้อยหรือไม่มีเลยก็จะทําให้การไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินี้เป็นไปได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกับการไม่หาความสุขจากเครื่องบรรเทิงต่างๆไม่ดูไม่ฟังไม่เสบรูปเสียงกลิ่นรสประภะที่เป็นเครื่องบรรเทิงต่างๆเพราะไม่ฉะนั้นจะทำให้เสียเวลาจะไม่มีเวลาที่จะมาทำใจให้สงบได้แล้วก็เวลามาทำก็จะยากใจจะไม่สงบ ใจจะฟุ้งอยู่กับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะจึงจำเป็นต้องละเว้นจากการหาความสุขจากเครื่องบันเทิาต่างๆละเว้นจากการหาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สวยงามวิจิตพิสดาร ไ, ไม่เสริมสวยด้วยเครื่องสมานต่างๆด้วยน้ำหอมน้ำมันต่างๆว่าเป็นการเสียเวลา และไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเอาเวลาที่เสียไปกับการเสริมสวยนี้มาทำใจให้สงบนะแล้วก็จะไม่นอนมากจนเกินไปนอนพอประมาณนอนเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนวิธีที่จะนอนพักผ่อนหลับนอนให้กับร่างกายไม่นอนนานเกินไปก็คือต้องไม่นอนบนฟูกหน า, หนา นอนบนพื้นธรรมดาเช่นบนพื้นไม้นอนปูด้วยเสือ่อหรือปูด้วยผ้าถ้าจะปูอะไรเพื่อป้องกันความเย็นนี้ก็ปูได้เช่นเอาผ้าหนาๆมาปูเพื่อที่จะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ทำได้ถ้านอนแบบนี้เวลาร่างกายได้พักผ่อนพอนแล้วก็จะลุกขึ้นมา แล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อแต่ถ้านอนบนฟูกนหะนาะๆหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนและเต่นขึ้นมาแล้วใจก็ยังไม่อยากลุบขึ้นมาเพราะติดกับความสุขจากการนอนบนฟูกหนาะๆนะก็จะนอนยาวต่อไปอีกเวลาที่จะเอามาทําใจให้สงบจึงไม่มีดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะ แลกเปลี่ยนความสุขต้องการความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรจำเป็นจะต้องเอาความสุขที่ไม่ถาวรนี่มาแลกกันคือต้องมาถือศีลแปดถ้าถือศีลห้นี่จะไม่มีกำลังพอที่จะทาใจให้สงบได้พอเราถือศีลแปดได้แล้วเราก็ต้องอยู่ตามลำพัง อย่าคุกคีกันอย่าสังคมกันอย่าจับกลุมคุยกันเพราะว่าจะทำให้ใจไม่สงบจะทำให้ใจคิดฟุง้งซ่านให้เปรกเ ว, ว, ว้อยู่ตามลำพังต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปฏิบัติกันจะเดินจกงกรมก็ได้จะนั่งสมาธิก็ได้ข้อสาคัญอยู่ที่การเจริญจติตไม่ได้อยู่ที่การเดินหรือการนั่ง การเดินแบบไม่มีสตินั่งแบบไม่มีสติก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาต้องมีสติเป็นหัวใจสำคัญของการภาวนาสติคืออะไรก็คือการดินใจให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันให้ใจสักแต่ว่ารู้ไม่ให้คิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าใจคิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจจะไม่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน จะลอยไปลอยมาจะลอยไปในอดีตบ้างลอยไปในอนาคตบ้างจะคิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้บ้างคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างถ้าคิดไปอย่างนี้ใจก็จะไม่ตั้งมัน่นจะไม่นิ่งจะไม่สงบจะไม่เป็นอุเบกขาจะไม่มีความสุขถ้าใจไม่มีความสุขใจก็จะเดินหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะทำให้การรักษาศีลแปดนี้ยากลำบากจนไม่อยากจะรักษาต่อไปเพราะใจยังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นโนดโผทพระอยู่ใจยังไม่สงบถ้าอยากจะให้ใจสงบก็ต้องเจริญสติให้มากต้องควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งการเจริญสตินี้ก็มีวิธีหลากหลายด้วยกัน วิธีที่เรามากใช้กันที่ง่ายที่สุดก็คือการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธถ้าเราบริกรรมพุโทโธพุธโทโธได้ไปทั้งวันไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรเราก็พุโทโธพุธโทโธไปภายในใจใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตได้ไม่สามารถมากไปคิดถึงเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ได้เวลามานั่งสมาธิ ใจก็จะสงบได้อันนี้วิธีหนึ่งเีกวิธีหนึ่งก็ใช้การดูร่างกายเป็นหลักเฝ้าดูการกระทำการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าร่างกายกาลังทำอะไรก็ให้เฝ้าดูเหมือนกับเฝ้าดูนักโทษเหมือนตำรวจเฝ้าดูนักโทษ ท, ที่จับมาได้อย่าให้คลาดไปจากสายตา นักโทษกำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนก็ต้องเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลานักโทษกำลังอาบน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวกำลังรับประทานอาหารก็ต้องเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาอย่าอย่าเผลอไปทําอย่างอื่นถ้าเผลอไปคิดอย่างอื่นแล้วนักโทษก็จะหนีไปได้นักโทษก็คือความสงบนึกใจนี้เอง ถ้าเราคุมใจได้ใจไม่หนีไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ไปหาอาดีตาอนาคตอยู่กับปัจจุบันใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอ เ, เข้าขารุขความสงบได้แล้วใจก็จะมีความสุขอย่างยิ่งจะรู้สึกว่าการรักษาสิ้นแปดการอยู่คนเดียวการไม่ได้ทําอะไรนี้ไม่เป็นปัญหาเลยจะไม่อยากจะทําอะไร พาเวลาใจสงบนี้จะมีความอิ่มมีความพอจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรจะมีอะไรจะไม่มีอะไรจะเสียอะไรไปนี้จะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดเพราะใจไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆในโลกนี้นั่นเองใจมีที่พึ่งที่ดีกว่าก็คือความสงบที่เกิดจากการเจริญสติ เกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการทำทานนี้เองแล้วถ้าอยากจะรักษาความสงบนี้ให้ถาวรก็ต้องใช้ปัญญาเพราะว่าสติอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ไปหลงอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้สอนใจให้เห็นให้รู้ว่าความทุกข์ใจความหิวเกิดจากความอยากต่างๆ ถ้าไม่อยากที่จะมีความอยากมาลบกวนจิตใจก็ต้องไม่ทำตามความอยากถ้าใจมีความสงบแล้วจะฝืนความอยากได้อย่างง่ายดายแต่ต้องมีปัญญาคอยเตือนว่าตอนนี้กำลังอยากแล้วนะอยากไปอยากนะอยากแล้วจะทุกข์นะอยากแล้วจะอยากไปเรื่อยๆนะพอมีปัญญาเตือนใจอย่างนี้ใจก็จะหยุดอยากได้ ใจก็จะกลับเข้าสู่ความสงบสู่ความสุขที่แท้จริงได้นี่คือวิธีการมาสร้างความสุขที่แท้จริงสร้างสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดก็คือความสงบที่เกิดจากการสละความสุขทางโลกสละลาบยศสละเสริญแล้วก็มาบำเพ็ญศี ภาวนากันจเจริญสติการยามต่อเนื่องจนจิตสงบพอออกจากความสงบก็ใช้ปัญญาคอยสอนใจเตือนใจว่าอย่าทําตามความอยากโดยเด็ดขาดเพราะการทําตามความอยากจะทําให้เกิดความทุกข์ตามมาอย่างไม่มีวันหมดสิ้นไปพอมีปัญญาเตือนใจอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เ, เวลาเกิดความอยากก็จะไม่อยาก พอไม่อยากแล้วต่อไปความอยากก็จะหายไปจากใจเมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วใจก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันหมดสิ้นจะไม่ต้องกลับมาหาร่างกายมาแบกบมาแก่มาเจ็บมาตายมาพลาดพลากมาสูญเสียบุคคลและสิ่งที่เรารักไปอีกต่อไปนี่คือการมาวัดเพื่อมา หาความสุขที่แท้จริงมาละความสุขปลองมาหาสิ่งที่ดีที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกได้หามาแล้วได้พบแล้วแล้วนำเอามาเผยแผ่ให้แก่พวกเราพวกเราเพียงแต่มีศรัทธาความเชื่อและปฏิบัติตามเราก็จะได้ความสุขได้ของแท้ของจริงเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้า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 ทั้งไนทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ